มังกรหยกภาคสามตอนที่ย3สตอนตียิงตึงตอนที่สี่สี่ความเดิมตอนที่แล้วท่านผูหูเอ่ยถามเอิงหูหญินอย่างประหลาดใจว่ามีทราบว่ามีสิ่งใดที่ทำให้เอิงหูหญินคิดมาปฏิบัติธรรมดังนั้นผูหูจึงเอ่ยปาก พูดว่าตัวข้าเองเป็นผู้อารัธนาพระพุทธเจ้าในนิพพานมีธรรมกายมากด้วยกันได้ไปอารัธนาพระพุทธเจ้ามานับประมาณไม่ถ้วนนับสางไขไม่ถ้วนมาผลิตของขวันนี้ให้ปรากฏขึ้นในมนุษย์ของศักดิ์ศกิ์ขนาดนี้บังเกิดเป็นครั้งแรกในโลก สายตาเอิงหูอินเป็นประกายแวววับขึ้นทางใดจึงกล่าวขึ้นว่าแต่ก่อนข้าก็ไม่เคยคิดปฏิบัติธรรมจนกระทั่งมาพบพระอาจารย์เม่งกวงท่านได้มอบพระผงของ ข, องขวัญรุ่นหนึ่งของท่านภิกษุหววสิงตาอวงฝุ่แก่ข้าน้อยเมื่อข้าน้อยได้สวมใส่พระผงของขวัญองค์ น, นี้ท่านเกิดกระแสภายในสั่นสะเทือน จนค่าน้อยบอกไม่ถูกว่าเป็นเช่นไรค่าน้อยได้แต่น้ำตาไหลคลาดอยู่3ามวันเต็มๆพร้อมกันนั้นก็เกิดความคิดที่ว่าการเป็นคนนั้นมันแสนจะสิงไม่มีเรื่องอะไรวันๆเอาแต่กินข้าวทำงานแล้วก็นอนผ่านไปมา 50-60 ปีอย่างมากสุดก็ร้อยปีก็จากไปแล้วไม่รู้ว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้และในชีวิตคนคนหนึ่ง จะทำแต่เพื่อตัวเองเช่นนั้นหรือใจข้าน้อยเกิดคําถามขึ้นอย่างมากมายทําไมถึงต้องเป็นขนทําไมในโลกจึงมีแต่ความทุกข์หาสุขที่จีรังไม่ได้ทําไมถึงเป็นอย่างนั้นทําไมถึงเป็นอย่างนี้ข้าน้อยเกิดความคิดที่ต้องการหลุดพ้นต้องการเห็นแจ้งพระอาจารย์เม่งกวงจึงนําข้าน้อยมาปฏิบัติกับท่านเจ้าสํานักด้วยพระอาจารย์ไม่สะดวก ขอต้องจาริกแสวับุญไปทั่วแดนขอท่านเจ้าสำนักโปรดรับข้าน้อยเป็นสิทธิ์เหิดท่านผู้หูได้ยินเช่นนั้นก็หัวเราะเหือและกล่าวว่าที่แท้เป็นเพราะอนุภาพแห่งองค์พระของขวัญของท่านพิสุขวบสิ่งอันลือชื่อในยุทธภพนั่นเองถึงความศักดิ์สิทธิ์ที่เราจองยุ่ยุดล้วนไปหามาครอบ แม้ว่าแม่นางเป็นสายท่าธรรมของท่านจึงได้องค์พระผงของขวัญนี้จงเก็บรักษาให้ดีพระองค์นี้ถ้าแม่นางนึกนึกดีนึกนึกได้นึกเป็นทุกทีมีคุณอเนกอนันต์นักทั้งทางโลกและทางธรรมดีดีพวกเราเร่าสหายจะได้มาร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเองต่อสังคมและต่อประเทศชาติ และประโยชน์อย่างยิ่งต่อพละนิพานอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติธรรมเมื่อก่าวจบท่านผู้หูก็หัวเลาะเหือๆอย่างดีใจที่มีสนัยมาร่วมงานธรรมมีทันใดสายตาที่ดีใจก็แปลเปลี่ยนภายใต้ตาด้านเฉยยันของพระอาจารย์เม่งกวงฉไหนจึงมีรอยบอบช้ำเกิดขึ้นผู้หูจึงตะโกนกล่าวว่า สิ่งพี่เม่งกวงท่านถูกใครทําลายมาหายในบอบช้ำบ่งบอกออกมาถึงโง่เห้งภายนอกเล่าผูหูสิ่งนี้เป็นความเจ็บช้ำน้ำใจที่ข้าได้รับและเป็นสาเหตุที่ทำให้ข้าออกท่องจาริกแสวงบุญทั่วแดนดินเมื่อแลกบวชข้าตั้งใจอุทิศแม้ชีวิตเพื่อปณิธานอันยิ่งใหญ่ ที่จะช่วยงานวัดให้เกียงไกไมิค่าคิดการเวลาและความสำเร็จจะทำให้สิทธิพี่ผู้ร่วมสำนักของข้าจะแปลเปลี่ยนปณิทานที่มุ่งสร้างคนมาเป็นสร้างอาณาจักรแห่งธรรมให้ยิ่งใหญ่ข้าจึงปีกตัวออกมาก่อนที่ข้าจะลงจากเขาข้าถูกลอบทําลายจนภายในบัดเจ็บเช่นนี้ข้าจึงท่องไปทั่วทุกแห่ง ลีดลีผู้คนเดินทางจนรอบเสียมตีนี้แล้วเป็นสองรอบแล้วเพิ่งจะกลับเข้ามาเมืองหลวงไม่กี่วันนี้และพบปะเราสหายไตยหักจนได้มาพบเจ้าวันนี้แหละสายตาของพาอาจารย์เม่งกวงบ่งบอกความปวดร้าวในชะตาชีวิตท่านผูหูพินิบพิเคาะอย่างละเอียด ก่อนที่จะเอ่ยตอบว่าไอพิษครอบไปทั่วทั้งกายจิตวิญญาณนับว่าผู้ที่ทำร้ายท่านมีฝีมือยุดเป็นหนึ่งทีเดียวข้าคิดจะช่วยสิบพี่ท่านได้ด้วยวิชาเซียนที่ข้าได้รับการอบรมมาจากท่านเลงป้อเทียงจุนพูดพลางท่านผูหู ก็ประฟามือเข้าที่แผ่นหลังผ้าอาจาร์เม่งกวงเดินพลังวัดถ่ายทอดพลังปานของตนเข้ารักษาอย่างเต็มกำลังพลังวัดเคลื่อนเข้าสู่จมลึกในร่างกายจนสามารถซึมเข้าภายไปในภายในกระดูกปรากฏกลุ่มกวันสีขาวพุ่งออกจากกลางกระมมงท่านผูห้หูจึงยกนิ้วชี้และนิ้วกลาง ขึ้นสกัดจุดเหนียมึงกลางหลังของพระอาจารย์เม่งกวงในทันทีทันใดหลังจากนั้นภู๋จึงกล่าวว่าสิบพี่เม่งกวงข้าได้เดินพลังวัดรักษาท่านขับไล่ไอาพิษออกไปแล้วแต่ผลจากการที่ท่านบาดเจ็บมานานนับปีทําให้ตอมตับอ่อนหยุดการผลิตสารฉนังท่านสามารถกลับมาฝึกยึดได้อย่างเดิม ข อ, อเพียงแต่รักษาสุขภาพให้ดีแต่รอยช้ำใต้ตาไม่อาจลบเลือนหายนอกจากท่านจะผนึกกำลังภายในและศรคือจิต ป, ประสาทเข้าเป็นหนึ่งเดียวภิกษุเม่งกวงกล่าวตอบว่าขอบใจมากท่านที่ช่วยรักษาข้าข้าจะได้กลับมาฝึกยุดต่อไปนี่คงเป็นเพราะอานิสงส์ที่ข้าสามารถ สลัดความแค้นขัดข้องใจออกไปได้ระหว่างที่ข้าเดินเท้าเปล่าท่องทั่วแดนดินผจนความยากลาบากไม่ว่าจะคนหรือผู้ผีผปีศาจข้าวัดใจข้าไม่คิดถอยห่างจากธรรมเลยและให้อภัยผู้ที่ทำร้ายข้าจึงมีวันนี้ที่ได้พบท่านสหายคือท่านที่ข้าไม่รู้เลยว่า ท่านได้ศึกษาวิชาเซียนมาภูหูก่าวตอบว่าข้าก็ดีใจที่วิชาเซียนของข้าสามารถรักษาอาการบอบช้ำของสิบพี่ได้สิบพี่มีเวลาพวกเราจะได้สนทนาธรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตขอเชิญสิบพี่อยู่เมืองหลวงนี้ก่อนเถึกอย่าเพิ่งได้จาริกท่องทั่วแดนดินเลย อายุก็มากขึ้นแล้วเมื่อสิบพี่ไม่คิดถอยห่างจากธรรมไม่ว่าจะอยู่ที่ใดถ้าใจว่างก็คือวัดสิบพี่อาจคุ้นเคยป่าเขาลำเนาไพ่ความเงียบสงบลองมาใช้ชีวิตที่วุ่นวายของชาวเมืองหลวงดูบ้างท่ามกลางความวุ่นวายฝึกผู้บงเพ็ญฝุนกิเลสอึด ก, กระทึก ทดสอบผู้บำเพ็ญนี่เป็นหลักธรรมที่พระอาจารย์สอนข้าท่านจึงทรงฆ่ามาทำงานเพื่อทดสอบฝึกฝนตนและร่วมงานแห่งฟ้าคืองานทานสมิเกชันหมายถึงการลือขนสัตว์เข้าสู่ฟังพระนิพพานเหตุการณ์จะเป็นเช่นไรต่อไป ติดตามตา ม, มังกรยนยภาคสามในตอนต่อไป